คันนี้ถามปัญหาครับถามห า, า, ม า, ม า, ามวาลัยาสรมกว่าวกับวรรคไหครับวันนี้เขถามสนอมาครับถามถามหาจบแล้วก็อยได้ขึ้นไปเทยนสรรัญญาเลยครับข้อหนึ่งลองถามว่าศาสตธมิกว่าสุทธานบทที่หนึ่งมีเนื้อความว่าอย่างไร <c oughs> มันจะความอมาหครับสุทธิจะต้องอาบหายเมื่ อ, อไรและใครเป็นต้นบรรญญณในสิทธานบทนี้ เขาตอบต่อว่าอย่างไครับเขาตว่าอยางไรนะบอกว่าถ่าเราทนี้ไม่ได้หน้าคนมันมันอาบายถ้ทาทได้น่ะครับแล้วเกียรติานพวกนี้คนที่ต้องทำบัต่อบว่าอยังไงครับจงมีการต้องทำบัตรใข้อนี้ว่ารู้ารผมจะทา<โ>อ๋อ <laughs> อันนี้มันอีกข้อนึงข้อที่ม่เอืเือเราถามมาแล้วใช่ไหมครับในสออุราพนวันเ่ย อันนี้พูดอีกแบ่งนะเขาจะเรียงการไม่เอื้อเื้องเขาะไม่พูดอย่างนั้นและครับถ้าว่าจะไม่เขาก็หายวิธีพูดแบบเรียงนะแต่ก็มานโดนข้อนีอีกครับไปอีกข้อง <c oughs> ถ้าไม่ทวนมันนีโหอะไนะข้อแรกนี่ไม่ได้อะไนะจะบอกข้อแรกนะพิธ า, านี้เนะีข้ออื่นก็เป็อยงก็เป็นฐานนี้หาอะไรอย่าน้นอันนี้ให้ที่บาาัานนะ ผมนึกไม่ออกว่าจะถามยังไงก็เลยถามอย่างนี้เลยตอนนี้ศาสตร์ธรรมิกกว่าข้อหนึ่งมีเนื้อความว่าอย่างไรไล่ลลลบาลีนะครับโยปนาทพิคุปพิขุหีส่สตท์ธรรมิกกรรจะมานเอวังมะเทยยะยัน <c oughs> เอาใหม่โยปนาทพิคุปพิคุหีส่สตรธรรมิกกรจะมานเอวังมะเทยยะ หน้าตาวังหังอาุโสเอตสินิสติขาปเทติกิสานียาวานะอัญยมีขุง พ, พยตังมิเนยทาราปริปุชามีติปะจิตยำสิกขามานีนัคพิคเวฟพิขุนาัญญาตัมพังปริปุจิตพังปริปัมจิตพังเนี่ยาษาสามีจีนี่มารนุนวะหน้าตาวาังหังอาวุโส อ, อ่ะครับ นาาตาวะขังอาเมโสน้าวะน้าตาวะของอาเมโสเอตสัมมิสิฐานปฏิสิสาี้ดูกรแต่ว่าดูก่อนที่อายุข่าก็ะเจ้าจะยังไม่ศึกษาในสิกษาบทนี้จนกว่าจะได้ท้าศิษย์อื่นค่าวผู้ชนะข่าผู้เป็นวินัยทอนผู้ชลาใช่ไหม พญตาลเมน่าธาราบริพชามีสตินะครับจนกว่าังได้ถามที่สุดอลยที่เห็นผู้ชนะทรงพระมีนนี่นะครับท่านอ้ายนี่ใช่ไหครับเหมือนกันก็เลยทําให้ต้อีกไปในสุดท้ายหมดนี้ครับในเี้นะาร์มเ็นอย่างนี้นะครับเพราะท่านจะถ้าจะบอกว่าอะไรนะเมเนกี้นะผมรู้อ่ะผมจะทําอ่ะมีอะไร อย่างนี้นะมันถึงไปโดยเพราะมันเอืเฟือใช่ไหมครับโดนป่ายตีเท่านั้นท่านก็เลยทําเป็นเลี่ยงโอ้ผมยังไม่นั่นนะท่านเพราะว่าผมยัต้องถามท่มนวินทอลให้แน่ก่อนมันเป็นอาบัติจริงหรือเปล่าคำพูดถูกไหมท่านนี้เขาเตือนถูกแล้วนะครับแต่เขาอ้างเล่แบบนี้ครับเนี่ยก็มาต้องป่าตีเท่านี้นะครับน่าถามว่าใครเป็นต้นบรรยาในสิครามบทนี้ครับพระชนะนะครับ ครับอันข้อนี้แข่นะข้อที่สองนะครับถามว่าพิสูจติเตียนสิกขาบทในเวลาไหนที่ทอมต้องอ่านบบปานสตรีกำลองอยู่กำลังท่องอยู่ท่างอะไรครับท่องปาติโมกนะครับนั่นนะท่องมาปาติโมกใช่ไหมครับนั่นนะเวลาพิสูจน์ท่องปาติโมกคือลูกศิษย์อาจารย์ไหนสอนลูกศิษย์คนนี้ใช่ไหม หรือว่านูกศิบขอให้อาจารย์สวนให้ก็ดีนะครับหรือว่าพิสูจุ์ว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยสาธายายอยู่นี่นะแล้วไปตีเตียนว่านเขาอย่าไปคลอเลยอย่าไ่ยอย่างนี้นะอย่าตัวอย่างนะอย่าไปเงมากเลย <c oughs> เราจะพูดยังไงให้เ ข, าขา้าาจความเพียนลเล่าเกี่ยวกนบวินัที่นเพราะว่าถ้าเขารู้วินัยเยอะไม่ได้อนะเราจะทำอะไรไม่สะดวก เราทำผอะไรในข้อรู้หมดเช่นเพราะเข็เรียนที่ไหนต้องไปติดเตียงการเรียนที่ไหนให้ขขขเขาฝันใช่ไหมยิ่งยากลำบากยิ่งเรียนมากคิงสร้างมากใช่ไหลยวก็คิดมากเครียดไม่สบายใจเะครับสู้พวกที่เรียนไม่ไไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดอะไรเลย <c oughs> <c oughs> ขีดเตียนนี่นะว่าสีขามเหล่านี้ยอดเป็นไปเพ่ความลําบากใจใช่ไหมเพื่อขีดขวนใจนครับอย่างที่ว่าอันนั้นน่นทุ่งสร้างลําบากใจไปเรียงก็ทดนองนี้เองนะครับเพื่อให้เข้าขายตอนกินเร่องเดียวนะถ้าก็ต้องแบบปานตีต่อไปนะครับถามว่าอานิสงส์ในพินัยครรมบุคคลมีห้าอย่างอะไรบ้างมีนําให้ครบนะครับจงบอกมา การควาสามารถของนข้อแรกเมื่อกี้นะครับก็รักษากองศิษย์มือตนเองได้นะครับทั้งเจ็ดกองเลยน้ะอวงเจ็ดกองรักษาได้ดีไม่ต้องอําบัด้วยการต้องผกอย่างนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งของหล่งพลบุตรผู้มาสงสัยนะครับหรือผู้ถูกความสงสัยพรอบงำ น, นะแล้วก็นะกล้าผูดในข้ามการสงนะครับแล้วก็นะขมขี่นะครั พ่สุขผ wow, um, <Hey take. S 1> ูดเป็น่าศึกได้โดยสาธรรมนะครับดูความสามารถนะและก็ปฏิบัตินะครับเพื่อความตั้งมั่นพัฒนาธรรมนี่ห้าข้อขออธิบายมากแต่แล้วมันมีข้อฆานะครับถ้าบอกว่าอะไรนะมันใชย่มดีใช่ไหมพสุขพู้เป็น่าตศึกได้โดยษหธรรมนะมาพรอบพ่อท่านรุวิในท่านก็จะสามารถเาวิในนะครับมาชำระอธิกรณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ หรือผู้ที่ไปฆ่าสึกกับท่านเองนะ่ะจะมาหาเรื่องมาโจกท่านด้วยอาวะอะไรที่ไม่เป็นจริงเนี่ยนะท่านก็สามารถที่จะโต้ข้อได้แะย่ำหนีเขนได้หรือแม้แต่ที่สูจผู้เป็นฆ่าสุดต่อภาษาศาสนาน ะ, ะแสดงสิ่งที่นอกความนอกวินัยเป็นคําไปวินัยนี้นะครับพระพิณานทางก็จะสามารถที่จะจัดการคนนี้ไนดะ้ว่าจะเอกวินัยข้อไหนหมวดไหนที่มาลงตอกผู้ิี้งโทษตรงนี้ ต่อไปนะครับต่อไปอันนี้น่าจะได้ในข้อนี้ละผมถิดว่าน่าต่อไปนะครัเนี่ยไอมาแล้วต่อไปก็มีสี่คถามว่าพิสุกล้งทาเป็นโหน่งหือสิกขาบดปั้กอามบะไร ท่านเตบอกปาจิตีดูเสียงเดียวกันเลยครับชอนว่าเป็นอะไรเอาว่าเป็นอะไรบ้างดีกว่าเป็นอาบัตอะไรบ้างม <c oughs> ีข้อดีปาจิตีทุกก่องนะครับนด้ครับ <c oughs> ไปมีทุกกลดแล้วไปทุกกตอนไหนปาจิตีตอนไหนครับคือเป็นทุกกลที่ไกล้ข้างลงนึงลงนึช่ไหแต่ว่าขอดีพระรู นแล้วก็ไม่อย่างแก่ต้งลงลึกลงอีกก็ไปอีกตียังท่ยังตอนรกไม่ได้แ่ขูกลนะครับยังยังไม่ถึงเข้าไปอู่ตีนนะครับไม่เข้าไปอู่ตีนถึงขนาดไหนถึงได้ไปตีนนะครับสันียากน่นเราเหมือนกันทั้งหมดเลย เกียวเกลีวเกลียวนะใส่ระสว ด, ด้วยต้องอปายตีใช่ไหมใช่นะครับใช่ผสมก็มีการลงกำนะสวดนะโกกนมหาะนะกำก่อ น, นะครับพอสวดจบแล้วก็ยังแกล้ลงหลงลืมนะเกลียนต้องปายตีตอนแรกที่แก้งหลงลืมก่อนเนะยังไม่ได้สวดเป็นทุกข์กนะครับแต่พ อ, สอ็สมยกกรไมสวดแล้วก็ยังหลงลืมเหมนน่าแก้งหลงลืมจึงต้องปตี ถูกต้องทรับางว่าที่สูตรตีบุคคลอื่นในกรณีไหนที่ไม่ทําไม่ต้องอาบัตเลยตีตีบุคคลอื่นตีเพื่อป้องกันตัวเพื่อป้องกันตัวใช่ไหมครั บ, บนนครับเพื่อป้องกันตัวคือมาจากใครนะครับธรรมดาไพ่เป็นตีอะไรใครไม่ได้เลยนะเป็นตีพระตีเนตีโยตีสนันติทระชนี่ไม่ได้เลยนะครับไม่มีการตีโดยทําม ล <c oughs> องข้ออะไรตีนายได้ไหมนะไม่ได้เป็นอาบัตเท่านั้นนะครับผิดทุกกรณีเลยแต่จะมีกรณีหนึ่งที่สามารถทาําได้แล้วก็ไม่เป็นอาบาัตกรณีที่ป้องกันตัวจะมีคนมาทําร้ายเรา่านี้นะเราก็ป้องกันตัวนะครับสวนกลับไปเป็น <c oughs> การป้องกันตัวนะครับท <c oughs> ่านบอกถึขน่าว่าอนะไรมันจะมีโจมันทำร้ายใช่ไหมแล้วก็ถือไม้ค้อนขู่นะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะห้ามเข้ามานะ เขาไม่เชื่อนะครับพอเดินเข้ามาแล้วก็เอาไม้ฟาด <c oughs> ไม่กอดฟ้าในการป้องกันตัวนะมันมไม่คิดจะฆ่าเขาหรักถ้าว่าคนนั้ตาก็การถูกฟานั้นนะพิสุกไม่ต้องทำอะไรเลยนะคแต่ว่าเซียนาต้องเพื่อป้องกันตัวองนะครับอันนี้มันก็เหมือนกันแล้วมือถ่ายนะนะี่สุกโกรนนะครับเนื้อหอกคือฝันแก่พ่สุกมีโกรนนะ ไม่ต้องปาจิตติแต่เป็นทุกข์ก่อเพราะเหตุอะไรชงบอกมาติดพุกเกลาเมื่อฝัเนื้อแต่ภาดไปตีเนื้อตาตีใช่ไหมครับก็เลยต้องระบาดทุกก่อนนะครับถูกต้อง้พอตั้งเมื่อเง่ายเฉยเนี่ยมันไตีใช่ไมไอ้ถ้าเงื่อขอเขาแล้วมันพลานไปแมันเงื่อไม่อยู่ไงมันพลาดไปตีโดนตัวเลยเขา ไม่ได้เป็นไปตีพ่อตีพ่อไม่ได้ตั้งใจตีไม่ได้เป็นไปตีพ่อเงื้อพ่อเงื้อไม่อยู่แล้วมันพังมันลงไปแต่ว่าต้องบัตทุกคนนะครับนี่นะถูกต้องนะครับอันนี้ผมง่ายแล้วนะต่อไปพิสูจนจบพิสู จ, สจอืน่นด้วยอัมบัตรปลาชิ้นไม่มีมูลต้ององบัตอะไรครับสังขาริเศษสังขาริเศษนะครับสังขารพิเศษนะครับถ้าจบพิสูจอื่นด้วยสังขารพิเศษไม่มีมูล คับจอพิสูจนิเนี่ยบัรทุนนใจไม่มีมูลก้องบัตรทุกเกาะ้ะครับต้องนะครับต่อไปนะครับจงยกตัวอย่างการแกล้งก่อความบังคาบให้เกิดแก่ที่สุอื่นที่ทำไม่ต้องบัตรปาจิตติมาคนละหนึ่งตัวอย่างคือคนละ่ะคือะเนนเีย้ไอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ แกล้งคนละครับตนี้อาหายใจแรงครับตู้อะเนี้อตัวอย่างอนทรียครับขาองมาสีมาลูกตาขาที่หนักองเยอะเต็าาเนี้ยขแก่ขอให้แกไม่สบายใจใช่ไหมหรวอพี่ผมสงสัยเหมือนพี่นะไอหนักขนของหนีปาสีแ <the> ล <deuxième> ้วน oh ั่นวันนั้นที่เราไปประเทศลาไปเนี่ยพี่มีอะไรบ้างในยานเนี่ยให้เขาตัวจลูก่าให้เขาตัวจลูก่า ขนของนิปลาสีนี่เสร็จลยหน้าหนิถ้าด้ราคามีปลาชิ้เลยนะ <c oughs> ไปใกลงพู น, นะครับเพื่อให้เราเกิดความไม่สบายใจแตเขาก็อาคมมันเองไม่รู้วินัยดีนะแตมีคนมาขู่มัคิดมากเครียดกันเลยนะครับเว่านิปลาชิ้นนี่ย <c oughs> งวันนี้ขอของเวลาเนี่ยนะครับนี่ครับอ้าวใครครับเย น, นได้หนึ่นะคนละหนึ่งตัวอย่างไงไม่เกี ในะ้อสามตัวอย่างนี่นะคอันนี้ตัวอย่างนะ เ, น, ะเ น, นี่ภา่าโซนโซเนี่อย่างดีที่ไม่ได้ทําป็ข้อเขียนนะยองรู้ไหมเพ่อะเหตุะมันมีเหตุผลนะเพราะว่าเหตุผลว่าถ้าเป็นข้อเขียนแล้วก็มีการให้คะแนนนี่นะมันจะมีการแข่งดี แล้วทีคนมีกิเลสมันนั่นไม่ได้หรอกมันมันจะไม่บริสุนธิ์นะมันจะทําทให้ขยันได้จริงนะเพราะว่าคนมันต้องอาคะแนนไม่รู้ว่าจะเอาไปทไําะไรแต่ว่าผลเสีย น, นั้นเยอะคือเคยทดลองมาแนละ้วถึงว่าผลเสียอเยอะสําหรับภาคนะคิดว่าจะเอาให้คะแนนมันยังไม่พอมันไม่รู้สึกพอเนะี่ยมันต้องรู้สึกสภาพจาายเงินฟรู้สืกอยังไงจะเน้นที่เอาสรทาเป็นตัวนำหน้าศึกษามากกว่าจะเาปัญหาเปนตัวนะี้ มันไม่เคยถูกนถ้าทางโลกมันำนั่นแหละมันธรรมดาโลกีวิสัยใช่ไหมก็ต้องมีหรือบ้างแต่หน้าของเรามันต้องแน่นกนี้อันนี้แล้วแต่ละตะอาการนะแต่ละเทคนิคของตะาการจบไปนะครับนี่กนี่ยเป็นยังรับ เขียดเลยนะเนี่ยถ้านคนนั่นนะคับเครียดเลยเอ๊สีมาเนี่ยผมสีมานี่ไปบวชมันนี่ก็ถูกต้องหรือเปล่าแล้วคำสวดกรรมวาจานมันใช้ได้มถ้าไม่ได้แล้วไม่เป็นานะเนี่ยต้องบวชนักษาใหม่เลยนะโอ้ยนักาษาแล้วนะคันักภษาใหม่อเขียดเลยนะลำบากก็เพืกัทำไเลย เออส่วนเ้าสวยลำตานี้คือว่าการลับไี่ถูกนี้เขต้องเคิดาที่ออกได้ออกแน่อนี้ทาให้คิปว่าได้ไม่นี่าได้เขาได้เขาบอกว่าออกขาไม่ถูกใช่ไหมกอัถับไม่ถูกใช่ใช่ยังออกขาดไม่ไี้หไดนี่ก็สารพ่อใช่ได้นะครับเกี่ยเรื่องสีมาเรื่องตะมมะจานเนี่ยได้ตัวอย่างเยอะเลยนะครับ เช่นชใจไปพึ้นปริวาใช่ไหมตัวขึ้หัวปัญเสียุ่งยากหลายขตอนเลยต้องใส่ถุงตลอดทำเสร็จแล้วนะยูดีก็มาพูดว่าตาองท่านมันวิบัตรใช้ไม่ได้รู้ไว้วันนั้นน่ะมีผ้ารุมหนึ่งนั่งมัได้กับพบาทท่านผมเห็นอยู่นะท่านบ้องทำใหมหมดเลยโอายเสร็จเลยนะครับเคี่ยดเลยทีดีวพราะถ้ามีคนไปนั่งนอกพบาทมื่อบาทกเสีย มันทำเป็นว่างนะครับแ่อไปนะครับอนี้บางทีข้าท้องเไม่ช่ยถูกนะเพราะคนนี้ว่าเขาจะมาพืชเขาต้องดูตามวันตามแต่ละกรณีนะซึ่งแต่ละกรณีในวันพืชจะไม่เท่ากันมันคงว่าสามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วแต่กรณีแต่พอไปที่งานนันะ เขาจะสา่วัาหมดเลยวอ้อหมอ่ายเลยกี่กรกนีมาก็สางมาันหมดเลยและเขออาอ้างว่าสองปัญญาสองอนุมาให้นะสองอนุยาต่ห้อยู่ปริบัติให้สางวันพอก็สองยยปัญญาไม่ดูกรนีว่าพ่อมีหนาอแบบเนี้ยอนะย่างเี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ที่ใช้ได้ก็มีแต่ว่าจะน้อยมากแล้วมีโยก็ไปเข้าปริบัตรเข้าด้วยหนาขนาดนั้นเลยครับ มันมีบางที่นะครับมันก็ว่าเป็นงานประจําปีงานอะไเงี้ยนะมันกืองานปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าใจกันครับเยี่ยมไปปฏิบัติการต่อไปนะครับห้อนี้นเริม่มเข้าเยอะแล้วนะ <c oughs> อภิโลกากรรมเข้าแล้วนะตรง น, นี้ <c oughs> มีฐานะห้าอย่างคือโอสาราา 3, นาสัมแสงหมดเลยนะครับนิสารนาพันุกรรม พรมทันและกรรมวิสนาจะระย่างเป็นอย่างไรจะอธิบายมาเอามิตารลรณาก็ได้ครับพันธุการรมมิรลรณาคือเหมือนกับเป็นเอ่อพันกรมนีคือเกี่ยวกับการดุลใช่ไหมไองานดุลมิตสารณาที่มันเรียกว่าไล่ให้เธอยู่ที่ตัวก่อนใช่ไหมอันนี้พวกเกังนวณอครับควณนกางครับหลวงพ่อช า, าวยุ่น่ า, ราิรรณาคือการ คำับไล่ครับโอสานาเรียกเข้ามือคำไล่นี่ของอัปปโรกันะกรรมนี่คำไล่ใครครับำไล่สมมาเนย่ไมครับคำไล่สัมมเนยใช่ไหครับผู้บกคุนไม่ดีแต่มีสาธิขีหรือว่าการพุ่งจากพระเจ้าใครับออกแต่กุติหรือว่าออกไปเลยนะคำไล่ก็เลยนม่หันมากระ้านีห้ครับนะครับโอสารนาคือ เรียกเรียกไครครับเรียกสำเนารูปทนแล้วเรียกนรูปนั้นแหละใช่ไหมที่แล้ที่กับจัวกลใจเืดีนลใช่หมครับเข้าเหมือนเดิมไ่ไหพันุกรรมครับพนุกรรมคือปงผมให้ผูเตรียมเจ็บปวดปงผมเหรอการปรงผมการปองผมหรือว่าอะไรครับเกียว์ปองผมยังไงการแจ้งการแจ้งแจ้งความสงสางก่อนที่จะปลงผมนี่นะ ต้องมีการแจ้งประสงส์ทราบครับทั่วว่าเลยว่าหน้าคนนี้่หนเขาต้องการจะบวชใช่ไหมหรือเราจะปลองผมให้โยมคนนี้โยมคนนี้ต้องการเป็นตำแหนับถูกต้องครับก็ใช้งระกรณกกรรมนะพระประธานครับพระมานคนพรมปันบอกว่าไม่ใช่ไหมครับงพระองค์พระประธาน่ย ลงมลงคการลทันอคืออะไรครับวันนั้นน่ะบอกนั่นเน้นตรงนี้เลยผมเน้นอะไรว่ามันไม่ใช่การอ่างนี่ลงทันครับกงทันลงัอสงอางทนคือการองกรรมแก่สบ้าองยางกรรมผู้สูบผู้บ้าเนี่ยสองอย่ใช่ไม่ใช่ท่านหนัเลย พ ag, e ู e ้ว e ่ายากสองยากขนาดเลยใครถึงลงถึงลงพมทานครับข้าสนะนะครับครับลงพระลพมทานนี้เขาจะทอยู่ไงครับบอกไประกาศเตือนไม่ว่าะกาศเตือนให้คุณด้วยไม่สนใจทั้งนั้นปล่อยไปเลยใช่ไหมครับไม่ทักทายไม่อะไรทั้งนั้นไม่ทำไม่อะไรที่ครับ มัน ก, ก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้สั่งกันมา ก, กรอให้ไหมครับแล้วก็เป็นคนไายนอกอะไรอะไรนี้ะนะครับถูกต้องครับถูกต้องนะครับเนื้อธรรมทานทาไปตามสับไตว่าอ่านยาอันประเสริฐนะครับเป็นการลงโทษขั้นสูงเลยนะครับสําหรับคนที่แบบหัวดื้อมากเลยนะั่นเพราะว่าพระชนะเนี่ยขนาดแค่ถูกสงลงจะลงตัดชินีกรรมนะครับเองก็ไม่กลัว ร, ร, รมกมข้าง น, นั้นตัดชนีกำหรือเคปนิยกรรเนี่ยเรื่องเทปนิยกรรมเราแกก็ไม่กลัวนะเชยเขาย่ออกจากามือข้าน้าไม่รู้สัญญกรรมอะไรก็เฉยนะแกไม่จะทุกข์ทรารไม่กลัวนะครแต่พอถูกเนี่ยก็สองลมพอมัทางพุ่มเลยไว้รัาไม่ได้เสียใจมก น, นะครับถึงกับเป็นลสมสรบไปเลยนี่ เราจะรู้ว่ากินอะไมาล้างขนาดไหนขนาดคนมีอปนิสัยถึงได้พูดเป็นระอรหัน้วนะยังเป็นขนาดนั้นได้ไหโอ้ยแวใช่แค่หนครับการ้แบบนี้จากุผคอไมมด้อยู่ในอัตถิโลนักกรรมวจะอยู่กรรมเอครับเข้าในกรรมเนี่ยผมจะถามนะถามพ่อต่อไปนะครับและกรรมลักษณะครักรรมลักษณะ ที่สุดท้ายแล้วกรรมถ้าไม่จำี่อมม้าวนอกียันนกจา ก, าาา น, กานกจ า, ากรรนอานจานอกจานอกจานอากนอกจากนีกากอจากนอากนอกีากนอากนอางนอกจานอกจากนอกากนอกจากนอกากนอกจากนอกจานอากนอจากนอกจากนอกจาอกจากนกานกกาากกาน ไม่ไเน้นมากเลยการที่มีการนำะต่างๆการต่อเนื่องต่างๆการข่าวแต่พิธีปรานี่มันเกี่ยวสับใสายใชครับเจ้าสาขาได้เลยนีมันเป็นกรรมที่มันต่างจากกรรมสี่อย่างเลยใช่ไหมครับคือไม่สงเคราะห์ข้ขในกรรมสี่อย่างนะแต่ก็มีลักษณะที่เป็นกรรมนะครับมีลักษณะที่เป็นกรรมใหญ่เลย ที่มันสองข้อข้อในสี่อย่างเลยเรียกว่ากรมารมลักษณะนครับอันี้ยกตัวอย่างอะไรครับเนี่ยเาเท้ า, ามันเดียล่ะปโรกะนักรรมที่นะเดียวฐานานะฐานข้อเดีนวครับยกอะไสักอย่างเป็นปโระเจ้าที่เซนาเซนะเป็นกรมรมลักษณะได้ครับได้ทูกต้องครัถูกต้องใช่ได้ ลักษณะของกรรมอ๋อ น, นั้นไม่ได้ต้องใช้กรรมที่หนักกว่านั้นนะอันนี้ประหลักธรรมดาต่อไปข้อต่ อ, ตอไปเาราจะถามนะว่าจงบอกมาว่ากรรมต่อไปนี้เป็นสังฆกรรมประเภทไหนในบรรดาสังฆกรรมสี่อย่างมีอัปรโกรกนัตกรรมเป็นต้องคุณพระอัปโกรกนัตกรรมยัติีตัติทุติยะยัติจุตากกรรม มันจะถามนะแต่ละอย่างเป็นแบบไหนบอกมานะครับหนึ่งอุโบสถครับอุโบสถเป็นยัตติยัตติกรมยติกัมนะครับถูกต้องพูดยัตติกัมสองการสวดมอบผ้ากฐินยัยติสุติยกรรมนะครับสามผสมบ่กรรมนะครับบวกห้าหละยติยิกมุิกรรมนะครับสี่ช้างขั้งบาเป็นรกรเอาไม่ได้เขาเบาไปเนี่ย ว้อบาเนี่ยอยากเสทุติยกรรมยากเสกทุติยกรรมนะครับไอข้อาทำแต่ใรเนี่ยาระที่แรกอะพระราชาพระองค์หนึ่งใช่ไห ม, ช, มชื่อว่าเจ้าพระทา่าดิฉวีที่ม้ที่มากล่าวอะไรนะจบพระท่าผ้าบราบุตรด้ย่ยแบบราชิกไม่มีมมนะูแล้วก็ห้ากับภาชนิยกรรมครับ ว, ว่าอย า, ากจะวันทำไม <laughs> ก็ใช้ขนาดไหนหนึ่งปรับพาธมีย่างกับเนี่ยมันช่ต้องใช้กรรมแบบอะไนี้คีออย่างเนี่อติดจิตรือติดจิตถูกรรมนะครับอันนี้ทำหนักเลยนะอันนี้กรรมเลยนะครับโครงการเรื่องปวารณาคือวับกรัตราชัึไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ผมว่าแค่จำแนงแค่นั้แต่ไม่ใช่ยติจิตกรรมแน่นอนยติกรรม่ครับใช่นี่หวัง่ใช่หวังใช่ไหมครับลืมเหมือนกันมันจะยติยติกรรมยติกรรมถูกต้องนะครับนี่ไปนะครับการสมมุติสีมา สมุสรีมเป็นกรรมอะไรครับสมุทรมาเป็นยติกรรมไอ้ญติญตุาตกรรมยาติทุติยติกรรติทุติยาตกรรมอภานกรรมครับอภานกรรมอภนเป็นญาติกรรมญาติติญาตกรรมญาติสตุทากรรมครับสมมติผู้สอบพิสูนีครับ ยาติดสุทธากำใช่ไหมครับแล้วก็สิทธ์นะสมมติผู้สอนซอครับซ้อมแนซ้อมยาติดตีกันยาติดกันยาติดยากำใช่ครับสิเออยาติดกันมันก็มีแค่ เป็นยัดติดเก่ามั้ยครับแคยตั้งเแื่ติดนีก็ใช้ได้เลมันไม่ถูกต้องตัวต่อไปก็ต่อไปกูอันนี้ก็ยังจงบอกอาณาบันนะครับของสินค้าหมดข้อว่าด้วยการไม่มอบฉันท้าลูกจะอาสนะหลุดไปบอกมาว่าอาณาบาอะไรบ้ามันปวดอย่างแรงครับปวดท้องอย่างแรงครับไม่ต้องบอกแล้วลูกไปเ โภจ้าประสาวาอย่างแรงใช่ไหมตันไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วไม่ก็คนแอรคนปปเปไฟเปาไข้เนี่ยนหูหลเข้ามาแล้วไปแล้วบอกไปทันทันลูกเลยอย่างเงี้ยได้ ไ, ดไท่านหนึ่งหน่งโภคุณเจ้าปัสสาวะครับหอมคุณแม่มาแล้วคุเจ้านี้มีเงินต่างามันไี่มีหรือปล่าไม่มีนะดูอะ พิสุจนอาผ้าครับป่วยนะครับป่วยทีเขาพิสูจน์ผู้เ้าผู้าพสุจน์ผ้าผนีครับอีกสักอันหนึ่งอันนี้ใช้ได้เลยพิสูจน์ที่ถูกองตัวให้เนอะกแย่างเดี้งตองก้ครับอีกอันเดียวอันนี้ใช้ได้เลยเพราะวันนี้อสองสองอย่างนะ ทำไมลูกคือในข้อนี้เขาบอกว่าสองกำลังไม่ิด้แชร์ที่กรอยู่หรือว่ากําลังสวดกรรมบาปกันอยู่นะยูดีถ้าก็ลูกออกไปด้วยตั้งใจที่ให้กรรมเสียมันได้มอบสานท่านนะเพาตั้งกําลังสวดค้างันอยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีใครแคคนออกไปนอกธรรมบัตระเมียทำให้กรรมเป็นวัดแล้วก็กรรจะเสียลูกนี้ก็ตั้งใจจะให้กรรมเสียอย่างนั้นนะก็เลยลูกไปเลยแต่ว่ากรรมไม่เป็นธรรมนะถูกต้องนะ เรารู้ว่ากามเนี้่ําไม่งเป็นเป็นวะใช่ไหมครับี่นแล้วก็ให้เสียไปเลยไม่ต้องไปใส่ใจเดี๋ยวหีไปเลยนะครับอันนี้ด้หรือว่าอันก็ได้นะะก็คิดว่าเี๋มันจะเกิดความแตกล้ความผ่อนนิวะอย่างนี้นะครแล้วก็เดีด๋ยวหไปได้ครับจริงจริงมีข้อหนึ่งและมีข้อห น, นึง่ง อาที่ลูกไปมาห่อไปเนอะลกไปเพอเนาที่จะให้จามนั้นไม่ถงเกันหรอกอที่น่อาบัติใช่ใชแ่อคที่ลกเนี่ยเป็นอาบัตพออร่าถบาทแล้วก็เป็นอาบัตนะที่ว่าไม่อาบัตได้หมายถึงองค์ที่ลักอ๋อที่ไม่อาบัตหมายเพราะว่าหมายถึงองค์ที่ลุกนั่นแหละลูกในกรณีหนึ่งที่จะไม่ต้องอาบัตที่ว่าปวดท้องหนักใช่ไหมอันนั้นก็ไม่ต้องอาบัต ป่วยนี่เ น, นี่ยหรือไปดูแลคนป่วยเนี่ยมันต้องรีบไปเข้าป่วยหนันี่เ น, นี่ยไม่เป็นไรแล้วก็กรรมไม่เป็นธรรมแล้วก็ลูปหนีได้<อ>มายถึงคนที่ลกนั้น่จะไม่ต้องอาบัตเ น, นี่ยเร่อ น, น, น, นี้นเกิดว่ากรรมเป็นธรรมจะต้องบูไปนี่แหละถ้ากรรมเป็นธรรมูกไปก็ต้องกรณีพว่าเนคือคนที่ดูเนี่ยถึงจะไม่อาบแต่คนทีน่ลูกาบักนูอัีกอย่างหนึ่งครับง ยังหนึ่งญาติผู้เฉลยนะครับบอกว่าไม่ต้องการจะให้กําเสียนะลูกออกไปตั้งแลต่จะกลับมาอีกนะครับต่อไปนั่นเกี่ยวเข้าะลุพันนั่นเกี่ยวกับทะลุพันสิ่งของต่อไปนี้อะไรจะได้อะไรจะไม่ได้จงบอกมานะครับโอ้ไม่น่าเสียนะนะหนึ่งมีดปอกผลไม้นะครับแต่ได้นะครับ สองหมอนหัวหมอนหมอแจกไม่ได้แจกไม่ได้มีแ้นาไม้าครับหมจไมได้ตอบอกแจกไม่ได้เไม่ได้คารุพ่นเดียวเป็นคารุพันแจกไม่ได้ช่อง้มีเด็กไได้ก็มีเด็อแจกได้ไม่ได้ก็มีอกิอาจารย์เยอะครับอันนี้อะไรทอนทน้ออันนี้บอไม้ตือไม้ไม้ขาแหลใช้ไม้ทำเลย ใช่บอกบ่าอันนี้คือไม้เอาไม้อย่างเดียวไหมตองสำอะไรไม้เท้าแม่เหล็กเท้าอะไรเท้าอย่างอี่เอาไม้เท้าเป็นทำด้วยไม้อย่างนี้ครับจะเป็นไม้จริงหรือว่าไม้ใส่ก็แล้วแต่แต่ใช้ไม้ทำนี่แหละเอามาให้ให้สามข้อเลือกนะหนึ่งแจกได้สองแจกไม่ได้สามแจกได้องมีแจกไม่ได้ก็มีครแจกไม่ได้คนเต็มหมดแจกไม่ได้เลย นี่ครับรู้ปวดแสบนะอันนี้ไม่เกี่ยวกัวไม่ปวนครับคือได้แสาได้ก็จสบไ้เมือนกันไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าแสบไม่ได้ก็ให้ยืมเอาเอาเอามตสีนะเอาเอาไล่ขาต่อเลยอ้ได้หรือไม่ได้ข้อไหนข้อสามได้ก็มีไม่ได้ก็มีทนใดใจม่ได้ยืนยันว่าไม่ได้เล็นช่ไหครับข้อสามครับ อทุกเกียรครับทุเกียบอกแจกได้หลวพ่อครับแจกได้นะทอนแจกได้ฮ่าฮ่าฮ่าันนี้มีสแจกไม่ได้เฉลยว่าแจกได้เฉลยว่าแจกเฉว่าจกไมท้าอย่างเียนะครับแม้แต่กดก็ยังแจกได้นะก่อนที่เนี่ยที่เขามาถวายเนี่ยทำด้ไม้ไผ่ด้วยเด็กนะคลมก็แจกได้ครับกดก็แจกได้ นี่มีปัญหาเหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ม้าทุกอย่างไม่ได้เป็นขนที่แจกด้นก็มีแจกไม่ได้ก็มีท่านแยกให้เราดูแล้วช่หมครับอนนันนะครับอันนี้เอาจำนวนที่สมมติการบิดถ้าจำนวนน้อยใช่ไหมเราก็ใช้แกกที่สูที่มันจ็เขจะไม่ต้องใช้อย่านี้นะท่าก็จะมาขอบนแล้วก็ให้ได้ลักษณะคของเล็กน้อยนีนะ สี like no <Okay. S 1> ่นะครับก็บอกใส่น้ำร้อนสไตลเลยไม่รู้ว่าเหล็กกี่แฉกนครับแจกดางไห้ครับไม่ได้ก็มีถูงต้องนะครับแบบไหนแบบไหนแจกดานมาเลยแบบทีใส่น้าแล้วไม่เกินยี่ยิบสองรีปานมือครึ่งนะครับคือไอ้ก็บอกใส่น้ำร้อนน่ะที่ขนาดบ้านใส่น้ำได้จุน้าได้ก็แล้วกันยิบสองปานมือครึ่ง ใหญ่ขนาดนี้ลงมาครับไม่เกินนี้สามารถแจกได้ใครับถ้าใหญ่กวนี้แจกไม่ได้ครับอ่าครับจุน้าเหมือนอะไรนะน่เป็นหม้ออะไรน่าจะไม่นานครับแล้วก็มาถงหลัเองนะ ต้องเป็นทดองเองจะได้รู้ว่ามันจะเหลือได้เป็นราแต่ว่ของมนจริงๆเนเราต้องมาลองนีงอันนี้เราคงน่าจะได้อยู่นะยีิบสองเนี่ยมันก็ใส่ไปหน้าหนึ่งสองสามยี่ิบสองไปเราดูว่ามันเต็มพอดี้มหรือว่ามันยังค่องู่ถ้ามันยังชล่องอย่ก็แสดงว่ามันใหญ่ไปช้องคุ้มทั้งสอนนะแต่ดูขนาดนี้เราก็น่าจะได้หละ เราต้องไปลองที่สุยดูครับเพราะว่าธรรมดามันละแค่สองแก้วนะหรือสองแก้วฝาเนี่ยไอ้พวกนี้น่อย่างมากมาทีก็มีมากกว่านี้นะครับต้องไลองดต่อไปนะครับรยนต์ไม่ได้ยนต์เจ็บล้อออกเไม่ได้าล้อออก้บด้าต้องท้ต้องยนต์ครับถ้ามีล้ออยู่ดีใจไม่ได้นะ แต่ถ้าล้อออกเจน้า <c oughs> งงะ <c oughs> ถ้าล้อออกเฉยนะ <c oughs> ถ้าล้อออกแล้ว <c oughs> เอากขับมกพูดถึงเกวียนนะครับแล้วก็ลถเกวียนสมัยก่อนนะบอกว่าถ้ายังมีน้องอยู่เป็นค้าวุปหันเฉ่ไม่ได้ถ้าล้อออกไปแล้วเจยหน้าตัอไฟฟ้าอับ งาช้างครับงาช้างเอาไปทากล้องเข็มใช่ไมรับเาไสิ่งที่สมควรครับงาช้างจาได้ครับ่าครับจา่า้ครับ่ายได้ครับายได่ได้รันเกิดรบอปติดกัดหมดสาเจ็บได้ แต่ได้ก็มีแต่ไม่ได้ก็มีเอาแบบไหนจะได้ครับอันนี้ไม่เกี่ยวขนาดความจุแล้วนะครับไม่เกี่ยวกบขนาความจุแล้วอันนี้เป็นงานอะไงานแค้เลยนะร้ใช่ไหมฉันเป็นมัติเลยน้ว่าแจกได้แล้วว่าเฉลยนะว่ามันแจกได้ก็มีแจกไม่ได้ก็มีครับ ต้องบออย่างไหนที่จังได้อย่างไหนจังก็อย่างนี้นาจค่ะคือถ้าันเป็นกรองกรอมนยังไม่ไหลทําก็อาจจะทัางหม่ไหลออกแต่ว่าเราต้องใครับอันนั้นจ่ายไม่ได้อืมใช่ไหเออแค่ที่เป็นวัตถุดิอยู่แ่กองเรเป็นกอาไม่ได้แค่ค่าแต่พ้มันเป็นกรองแข็งก็อะไรกับยืดหูแน่นเลยน่เงียบ มันสูงไปแล้วครึ่งหนึ่งครับ <c oughs> ใจได้ถ้าไม่เสร็จีกคไับถ้าไม่เสร็จแก่ได้เสร็จทำอะไรด้วยช้อนไม่หลงไหมอนนะัเสร็จมันมันยังมีมากกว่านั้นนะครับอีกมากขว่นั้นหน่อยนะ เนี่ยเลยใช่อนี้ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นสอบมากนะก็เลยอย <ims> <'re> ่างนี้แหละเพราะไม่ได้เ้นสอบเท่าไหร่ในความเข้าใจรอบนี้ถือว่าเน้นกอนเพื่อนแล้วนะรอบหนึ่ก้อยแทบไม่ได้ถามเลยเรียนแล้วก็จะผ่านไปผ่านไป ก็ยังมีแสดงก็าสู่แล้วใช่ไมน่าจะมีแสดงเ่ามีไหนบ้างยงเม่อไรใครมีแสดงมวลมันสัมนาคำว่ารำแหละสัมนาพูดกันบ่อยๆใด้ดีไหมเพื่ควับจกลัวโยมจะหลับเมื่อแม่ชีเขามนั่งเรียนง่วงเลยนอ่งยู่นั่งยืนฟัง คือ้าแบบโยกที่ก็ไม่มีสัทชาเรื่องวินัยจริงๆนั่นะไม่ได้อ่านเลยเพาะถ้าธรรมะนี่กงพอฟังได้นะเพราะว่าขาเเรื่องพระอรนัยใช่หมผมอยางเขามาว่าเรื่อเกี่ยวกับตัวเขาน่ะเป็นธรรมะต้องมันพู่ต่องไรใช่ครับแต่พอคุณหรือวินัยปุ๊บมันคนเขาจะคิดเอ๊ะจะพ่อเื่าถึงพระเป็นเรื่องของพระเขาเลยพท่เขาได้สบายใจเรื่องอะไรกันเนาะ อย่างนี้นะครับเฉยนะครับถ้าเป็นวัตถุดิบอยู่ใช่ไหมแจกได้เฉยแจกได้ต้องเป็นออนไลน์นยออนไลน์แจกได้เฉยนั่จตงบอกว่าถ้ามันยั้ไม่ได้ไปกรองนะไปถักให้มันไปกรองนะครับอันนั้นแจกได้แต่ถ้าไปกรองเรียบร้อนนะครับไปถักไปกรองเรียอร้อน น, นะอันนั้นแจกไม่ได้หรื อ, อจะทาเป็นสิ่งของยังม่กก็แล้แต่นะ อย่เมื่อนั้นไปเกาเรียบร้อเนี่ครับเราไปแค่อันนี้อาจจะปลายจุ้อย่างนั้นว่ามีตัดทองมีที่ว่าตัดทองแจกด้นครับมีตัดทองครับแได้แจกด้นะถูต้องนะครับพาดใบตานนะครับพัดใบตานแจกไม่ได้นะครับแต่น้ำพัใบตานอย่างเบาเยแต่ถ้าบอกเป็นขลุพัน แก่ไม่ได้ครับต่อไปแก้วน้ไม่ใชแก้วน้แก้วน้แกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าต้องการาติดกรรมเองในห่องนั่งไม่ได้นะแก้วน้ำแก้วเซรามิกแกวสแตนเลสอะไรไม่ได้ครับต่อไปคนโใส่น้ครับนโใส่น้แกไม่ได้ครับเดกไม่ได้ถ้าไหนนก่หน้าครับจะถูกน้ำอไ เราน้อยน้อยไปที่อฟังเงอนลงมาือได้ครับจตจากนั้นลงมาเพื่อแจกไดถ้าอยากากนั้นก็แจกไม่ได้ครับก็นเ่ขจได้างรูอาจจะมีแค่ว่าจของตัวเอง่นอ่ที่แจกไม่ได้ครับก็ต้อคือถ้าหามีส่วนตัวได้เหมือนนั้นแต่ถ้าเป็นของสงยไปขอบอกให้แจี่แจกให้อ่นไม่ได้ มันก็แลวบางท่านก็ไม่ได้ม่ได้ใช้ไม่มีนะนไม่มีใช้ล้าไม่หาบ้าคงแลวแต่เอามีของส่งที่ยังใช้นะเอามาใช้ถึงการอใช่คือถ้าถ้าถ้าโยมเขาไม่ได้ถวายส่งนี่นะ เขาไม่ได้อะไรเปล่นมาจาถว า, ส า, นะถายาาวาสงา่งนี้น่ะเขาแจกได้นะแจกได้ถ้ายอมเปล่นมาจาถวายส่งร้องแจกไม่ไี้เยอะนะแก้วน้ำทีมาหลายรังมาเรื่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แจกกันใช้แบบของของเนี่ยนะถ้าใครทำแต่ทำเสียก็ไปหาติดเขาแต่ที่ที่ไปหากับนสุนตัวก็มีเป็นแกนสัตนเ ไ, ไม่แจกไม่อะไร น, ะนี่ก็แลแต่ บางคนก็คิดว่าไม่จาเป็นไงคือคนก็คิดคิดค ด, ดีนะมือก็ว่าไม่อยากจะมีบริขารของสุวตัวมากมยืงใช้ก็ง่ายแต่บางท่าก็สะดวกขอนตัวมันสะดวกเนี่ยก็แล้วแต่าทายาทสยใช่ใช่ก็ยิงสองใช้ที่กุติอยู่นะเพราะของสองนี่แยะะเลนะเื่องการยืมใช่ไห ยาชาารักแจ้งก็ยาชาขึ้นไตมเลยบ้างรา้เนี่ยครับใครอยู่ว่าข้านะครับงูยายากาขึ้นเยอะเลยครับถ้าสงสัยเห็นก็แจ้งไม่ได้ใไมครับถ้าสงสัเห็นก็แจ้งไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสงสัยดูแลใช่ไหมดูแลรักษาก็เห็นหาดยหมครับอันนี้จัดไม่ได้แต่ถ้ามาดูรักษามันขึ้นเองร้องร้องครอย่างนี้ อันนั้นก็เอาไปเอาเลยไม่ต้องแจ้งหอไว้ยอมมีช่อกับพยาได้ได้นะครับพ่อญากิคารองษามาทำหลังคาได้ใชครับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะเรียว่าอะไรเวลาเข้ามาก็เรียกว่ากระดองเอาไผ่ใช่ไหมเอาไผ่หรือว่าพาย่า ลองขานะครับขายลองขายนะครับลองไปยขายขายนะครับแต่ถ้ามาทาเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเพราะเขจะทํามาทนอย่างพลาเนี่ยนะครับการพุทธพันธเลยต่อไปเชื่อเขาแจกได้แค่เชื่อเชื่อแตจกไม่ได้เชื่อแจไม่ได้นะครับต่อไปสยตักน้ำนครับสายตักน้ำแจกไม่ได้แจกไม่ได้ ตังาตังบางนั้นจะรู้ได้ผมไม่มีจ่ยไปนะะดาษที่เคยทำลายอ๋อที่ได้จ้ามันอย่างเอาไว้ถ้ามันใช่เป็นคลุกพันนะเป็นครุพันของที่ไม่ควรแจกแจกกันไม่ได้แบ่งไม่ได้บางอย่างก็จะเกี่ยวกับราคาด้วยหรือเปล่าเกี่ยวราคามันีก็ไม่น่นะ ขนาตะปูเนี่ยแจกไม่ได้นะแม้แต่ดอนี้ก็แจกไม่ได้ราคาไม่ได้าาแพงอะไรใช่ไหมไม่ได้ยอยู่ที่ราคาสูงไปแต่มันไปใช้เกีย่ยวกพวกน้ำมันมกังก่อสร้างอะไรของใหญ่ๆได้ใช่ไหมถึงหอกตอนนี้เขารู้พันอันนี้อันนี้เป็นหมวดหมวดที่ห้าที่หกนะหมวดที่สีส่ที่ห้าหมวดที่ส0ทที่ห้านจะมีเยอะท่างจะแบ่งเป็นหลาันใหญ่ มันจะมีตอนละห้าหมวนยมันจะมีไอ้นะสวนพื้นที่สวนอันนี้เป็นข้อแรกนะสวนพื้นที่สวนวัดพื้นที่วัดอันนี้คะลุผ่านแน่นอนยังให้เรแจกไม่ได้แบ่งไม่ได้เอาแจกกฤษฎีกาพ ล, ะละาังหลังอะไรจะได้เป็นส่วนตัวไม่ต้องใช้ของสงส่วนหลวงดีอย่างนี้ไม่ได้ไ น, น, น, น, คนะครับกฤษฎีกาหลังหรือแบ่งที่วัดกันมีตมั้งห้าร้อยไร่ ไม่ได้ดครับ น, นี่้ควุ้ยพันี <l> ่นอนนะแล้วก็เตียงต่างผู้หมอเราคุณนี่เตียงต่างผูงหมอเป็นคาุ้พันนะครับมองใจ <c oughs> และก็อะไรนะแอมมารวมเข้อดียกัหรือเปล่นนะครับในที่ว่าอาการอะไรนะสวนพื้นที่สวนนะครับวัดพื้นที่วัด ข, ข้อข้อหรือเปล่ครับนม่ข้อข้อครัข้อข้อเียกันนะครับ แล้วก huh. uh ็เ huh. ตียมต่างหูหมอข้อท mm ี hmm. uh ่อ huh. ท uh ี huh. uh ่สองใช่มข้ยสามอะไก็ตาลอะนว่าอเดียวว่าข้อในการไม่ใช่เลยครับก็ไปหาตาก็หมื่นกาพันสี่องพูดตรงไปไมนใช่มว่อยู่ในสายีอย่างนะครนั้นน่นจะแยกนะ้มาจะแยกเี๋ยวดูท่วลืมกันวันนั้นโอ้คนละข้อกันนะคนลข้อกัน สวนพื้นที่สวนนี้ข้อนึง ว, ว่นพื้นที่ว่านสี่ข้อนึงนะครับแล้วก็เตียงต่างคูหมอนสามส ข, ข้อนี้เนี่ยส่วนข้อสี่เดี๋ยวเปลี่นเครื่องโลหะต่างๆนะครับข้อห้าก็เครื่องพัฒนาสัมพันธในการสร้างศิลธรรมหรือเครื่องใช้ต่างๆนะครับต่อไปครับปัญหาที่สุดท้ายนี่เด็ด น, นะเกี่ยเนเสียข้ามูจะน่าปัญหาปัญ <c oughs> หาที่เหงื่อไหลคิดจนเหงื่อเกาะเลย ครับอันนี้ปัญหามาจากในพระพระเตนบิกุลเลยครับขึ้นถามขึ้นถามว่าคลุภันห้าอย่างอังคบุตรเจ้าผู้สวายหาควนยิ่งใหญ่แต่ว่าไม่เป็นอาบัติแก่ผู้จําหน่ายผู้ใช้สอยปัญหาข้อนี้ท่านมุชระทุกนายคิดกันแล้วครับธรรมนาคลุภันห้ามวนจะแจกไม่ได้นะแต่นี่พระเจ้าสองญาติแจกได้นะครับ ไม่เป็นอ า, นาบัตแกผู้แจยที่จำหน่ายเลยอันนี้นะครับปัญหาคนนี้ถ้าผู้ชนะทั้งหลายคิดกันแล้วนะครับเป็นยังไงครือพันห้าอย่างนี่ยังแค่นี่ลายม่คยอเราจะตีบ ธรรมไดขาขลุกันห้าอย่างแจไม่ได้แต่กรณีนี้ท่จจานเจ้าโรนี้ากให้บอกว่าจหนายนกไม่ใแจกธรรมไดานะครับจำหนาเลยแต่ขายกินเลยนะี่นะขายกุิ <c oughs> กินในกรณีที่ไม่อยากิที่กกิ้ที่ัให้ดพิเขายขาย้า่สักลายุบางเตียง อม่ใ่น hmm. um. oh, ิดห่อยไมับไยมอะไรเดยจะมีอะไรเยอะกั่านี้อ่านอีกตอนไม่มีคุณเรลาอ๋อแลกเปลี่สวยอ่ะแลกเปลี่ยนนะอันนี้แบบขายเลยให้มายาขายเลยอย่างที่ขายกุฏิมันกี้ถุงแล้วขายกุฏิกินแันถูกแล้วครับ การเมืกินตอนเนี่ยตะขั้นจริงนะถ้าบอกว่าเราต้องย้ายย้ายที่ได้นะแต่บอกว่าถ้าย้ายที่แล้วเนี่ยวันจะร้ายไม่มีใครดูแลเลยในคราที่เกิดอัตรอาอาหารนะครับหรือว่าเกิดเจรภัยขึ้นมานะบ้านเมืองวุ่นวายนะครับผู้คนออกขยบหนีลำบากนะแม้แต่ต้องหนีแบบเข้านะครับ <c oughs> ถ้าอยู่นะ่ะถ้าชาวบ้านก็อยู่ลําบากแล้วนะ ถ้าไม่ต้องพูดถึงผู้อายชาวบ้านยังฉี่ใช่ไหมใครใส่บาตรใหท่านนะครับลำบากเลยในกรงนี้นะั่นมันลำบากจริงนะสามารถจะขากุฏิกินได้พราถ้าเราถ้าไม่อยู่ผ้าเขายกไปที่อื่นหมดเลยใช่ไหมกุฏิวิหารมันจะลกนรกนะครับทีนี้โปะมันจะขึ้นมันจะเสียหายทั้งหมดเลยแต่ถ้ามีผ้าอยู่นะมันก็จะมีคนดูแลใช่ไหมแทนที่มันจะเสียหายไปทั้งหมดนะ่ะก็เอาเอาส่วนที่ดีๆเหลือไว้นะครับก็ขาดขาดไป คนราษาสึงที่เหลือนะให้มีคนดูแล น, น, น, นะครับได้นครับเนี่ยทานติกินได้เลยแต่บอกว่าาบอกเนียให้ขายให้หมดเลยนะให้เหลือไว้นะครับหลือไว้นะสักสองสามหลังนะครับจะขายห้มดเลยแล้วแต่คดีสมองมันนะเริ่มขายมาที่ข้าหลังสองหลังเนี่ยมายมบมิกรจาัด ก, การนะครับพไม่ได้ขายเองนะมายาจัดการใชห